แก้เสียงเพลงในหัวเหตุใดช่วงเด่นของเพลงบางเพลงจึงย้อนกลับมาเล่นอยู่ในหัวของคุณซ้ำซากแม้จะพยายามไม่นึกถึงก็ยังคงติดวนทำความรำคาญให้อยู่ได้แต่ละวันมีสัาเสียงกระทบโสดมากมายเทาะว่ามีเพียงบางชุดคลื่นเสียงที่กระทบแล้วเข้าไปบาดใจให้เป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเป็นพิเศษหรือไม่ก็กระตุ้นความรู้สึกได้แตกต่างจากเสียงอื่นก่อให้เกิดแรงกระทับฝังแน่นและลั่นวนในหัวไม่เลิกคุณจะทราบว่าจุดคลื่นเสียงใดโดดเด่นเป็นพิเศษก็เมื่อมันเข้ามาวนซ้ำอยู่ในหัวได้เรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจนึกถึงนั่นเองสรุปเป็นสมการทางอารมณ์ได้ง่ายๆคือ ได้ยินเสียงบาดใจแล้วมีสุขหรือทุกข์เป็นพิเศษเท่ากับจดจำเป็นพิเศษส่วนใหญ่ถ้าเกิดอาการวนซ้ำไม่เลิกคุณจะนึกรำคาญอยากแกะเสียงซ้ำออกจากหัวพอทำไม่ได้ก็เป็นทุกข์แล้วความทุกข์จะยิ่งตอบย้ำให้เกิดการเล่นเพลงบ่อยขึ้นไปอีกทางแก้ง่ายๆคือให้มองว่า เสียงในหัวเป็นคลื่นปฏิรูปเพราะมันแปลนสภาพตัวเองจากคลื่นเสียงจริงมาเป็นคลื่นไฟฟ้าในสมองจากนั้นลองกลับไปฟังเสียงจริงของเพลงนั้นอีกทีตั้งอกตั้งใจฟังโดยเฉพาะท่อนฮุกที่เข้ามาติดอยู่ในหัวสังเกต ร, รายละเอียดของคลื่นเสียงจริงว่าเหมือนหรือต่างจากคลื่นปฏิรูปที่ปรากฏในหัวคุณเพียงใด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 ก็คือการเห็นความไม่เหมือนเดิมและการเห็นความไม่เหมือนเดิมก็เป็นโอกาสได้รู้สึกถึงความไม่เที่ยงธรรมดาของจิตนั้นเมื่อรู้สึกถึงความไม่เที่ยงของสิ่งใดจิตจะถอนตัวออกมาจากอาการยึดสิ่งนั้นไม่อินไม่ปักใจสุขไม่ปักใจทุกข์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ทรมานใจกับสิ่งนั้นเลยเหมือนต่างคนต่างอยู่ จิตมีฐานะเป็นผู้ดูอยู่ห่างๆเท่านั้นเมื่อคุณรู้สึกถึงความห่างไม่ยึดแน่นก็จะพบว่าอาการทางใจถอนจากการวนซ้ำหรือถ้ายังมีอยู่ก็วนซ้ำน้อยลงไปเองจึงรำคาญ น, น้อยลงเป็นทุกข์น้อยลงไม่ได้อยากให้มันสาบสูญไปเร็วๆอีกแล้ว แก้อคติคนฉลาดคือคนที่สามารถถอดเอาความคิดเพี้ยนออกจากวิธีแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วถ้าคิดจริงทุกคนฉลาดหมดแต่ที่ฉลาดแค่ครึ่งๆกลางๆส่วนใหญ่ก็เพราะฟุ้งซ่านจนความคิดพร่าเลือนหรืออีกทีก็เพราะความคิดดีๆถูกรบกวนด้วยความคิดเพี้ยน อันเกิดจากอารมณ์รักแรงอารมณ์เปลียดแรงอารมณ์ด่วนทึกทักตลอดจนอารมณ์หวาดกลัวผู้ใดฝึกที่จะกําจัดอัคติสี่อันได้แก่อคติเพราะรักอคติเพราะเกลียดอัคติเพราะหลงกับอัคติเพราะกลัวจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกกําจัดอารมณ์โง่อันเป็นเมฆหมอกบดบังประกายความฉลาดที่แท้จริงในตน อคติเพราะรักเหมารวมทุกความลำเอียงอันเกิดจากความพิศวาสหรือเข้าข้างพวกเดียวกันอคติเพราะเกลียดเหมารวมทุกความลำเอียงอันเกิดจากความชิงชังเห็นว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อกันอคติเพราะหลงเหมารวมทุกความลำเอียงอันเกิดจากความสําคัญผิดไม่รู้จริงด่วนตัดสินหรือกระทั่งหัวทึบทืคิดอะไรไม่ออก แต่ต้องเข้นคิดให้ออกอคติพรอบกลัวเหมารวมทุกความลำเอียงอันเกิดจากความมีใจหดหวาดวันพร้านพรึงการจะฉลาดเพราะเลิกอคติสำหรับคนส่วนใหญ่เหมือนเป็นไปได้ยากเพราะเมื่อยอมให้อารมณ์อันเป็นอคติชนิดใดครอบงําแนวโน้มคือคุณจะปล่อยให้ตัวเองถูกครอบงามานาน เหมือนไข้จินกับการติดคุกจนมืออ่อนเท้าอ่อนเรียวแรงแหกคุกแทบไม่เหลือแล้วแต่หากขยันถามตัวเองสั้นๆเช่นอคติอยู่หรือเปล่าโดยตรวจไล่ไปเป็นข้อๆว่านี่กําลังรักเกินเกลียดเกินหลงเกินหรือกลัวเกินอยู่ไหมถามตัวเองหลายครั้งเข้าอาจมีสักครั้งที่คุณรู้สึกว่าได้เจอเงามืด ที่ระงานเงื้อมครอบงำหรือวงการจิตวงการความคิดอยู่เบื้องหลังเมื่อเจอเงามืดก็มีโอกาสหลุดจากเงามืดสังเกตดูหากปลอดโปรงขึ้นแล้วมีแก่ใจนึกคิดแตกต่างไปในทางดีให้ถือว่าอารมณ์และความนึกคิดนั้นรอดพ้นเงื้อมือของอกติสี่มาได้ที่สำคัญคือคุณจะพบว่า เมื่อพ้นอคติอย่างใดอย่างหนึ่งได้ก็เหมือนจะง่ายกับการพ้นอคติอื่นด้วยเช่นกันเมื่อพ้นจากอาคติสี่คุณจะย้อนกลับมาพบว่าถ้าคิดทุกคนสามารถทำความเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเหตุด้วยผลแต่ถ้าไม่คิดไม่อยากยอมรับเหตุผลทั้งโลกก็หายไปเหลือแต่ม่านหมอกทางอารมณ์ ที่อยากปฏิเสธความจริงตรงหน้าคนส่วนใหญ่ยอมให้ตัวเองอยู่ในโหมดอยากเอาตามใจอยากจึงไม่น่าประหลาดใจที่จะเข้าโหมดยอมรับตามจริงได้ยากเมื่อใดเป็นผู้ยอมรับตามจริงได้ทุกสถานการณ์ไม่เข้าข้างแม้กระทั่งตนเองเมื่อนั้นคุณจะพบว่าชีวิตซับซ้อนน้อยลง เปลี่ยนเพราะจิตเรียบง่ายกว่าเดิมแกอาการไม่พอใจคนรอบข้างถ้าคุณไม่พอใจใครบางคนนั่นนับเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าไม่พอใจได้ทุกคนเอาแต่งญหงิดที่เห็นแต่ข้อเสียของใครต่อใครไปหมดอันนั้นนับเป็นเรื่องผิดปกติ การเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นนั่นแหละข้อเสียอย่างหนักของคุณเห็นแต่ข้อเสียของคนอื่นจนไม่เห็นข้อเสียของตนที่ทำให้ตัวเองต้องเป็นทุกข์ได้เรื่อยๆและยากที่จะทำตัวให้ใครเป็นสุขได้นานๆทุกคนมีข้อเสียหรือมีจุดไม่น่าชอบใจสำหรับคุณอยู่แน่ๆไม่ต้องพยายามหาก็เห็นได้ในเวลาไม่นาน คนโน้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ได้ถ้าเอาคนรอบข้างมายืนเรียงหน้ากระดานแล้วให้ระบุว่าแต่ละคนมีข้อเสียอันใดบ้างยิ่งชี้คุณจะยิ่งเป็นทุกข์มากขึ้นทุกทีเราว่ากับใครเอาไฟมาสมอกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปลายสุดคือถ้าเอาตัวคุณเข้ายืนรวมอยู่ด้วยแล้วให้สารภาพตรงๆว่าไม่ชอบอะไรในตัวเองบ้าง คุณจะหมดความสุขในชีวิตทันทีเรารู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ร้อนเกินจะรับได้ไหวอีกต่อไปดูเหมือนไม่น่าจะมีใครบ้าพอที่จะคิดเกณฑ์นคนรอบข้างมายืนหน้ากระดานชี้โทษแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในจิตของหลายๆคนเมื่อไหวต่อการเห็นข้อเสียของใครต่อใครรอบข้าง วันๆจะเหมือนคุณจับเอาคนรอบข้างมายืนเรียงอยู่ในใจให้ความรู้สึกเหมือนกองไฟมาสุมรุมอยู่ในอกเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคุณไม่อาจหลอกตัวเองสมมุติภาพในใจเปลี่ยนไฟให้เป็นน้ําไม่อาจกแกล้งมองข้อดีทั้งที่ใจยังมีความยึดติดอยู่กับข้อเสียของคนดังนั้นถ้าหัดตั้งคาถามดีๆให้ถูก เพื่อให้ได้มุมมองตามจริงใจคุณจะค่อยรู้สึกดีขึ้นมาได้จริงบ้างบางทีคุณจำเป็นต้องมีเช็คลิสต์ส่วนตัวเอาไว้ท่องให้ขึ้นใจตกลงกับตัวเองว่าแค่ไหนถึงรับได้แค่ไหนถึงพอใจเช่นเขาทำหน้าที่ของตัวเองอยู่หรือเปล่าเขาให้สิ่งที่คุณต้องการบ้างหรือเปล่า เขาจงใจทำให้คุณเดือดเนื้อร้อนใจหรือเปล่าแน่นอนมีใครบางคนจงใจให้คุณเดือดร้อนอยู่แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนและแม้แต่คนที่เลวที่สุดในชีวิตก็ช่วยให้คุณได้เรียนรู้ว่าชีวิตเป็นอย่างนี้ทุกคนต้องเจออย่างนี้จะผ่านอะไรอย่างนี้ให้ได้ถ้าผ่านได้สําเร็จโดยดีใจก็จะเข้มแข็งอยู่ในกุศลละธรรม การช่วยเป็นแบบทดสอบให้คุณนั่นแหละถือเป็นข้อดีอันน้อยนิดที่เขามีอยู่ก็ได้ไม่มีเขาคุณจะเอาอะไรฝึกยิ่งสะสมข้อดีของคนรอบตัวได้มากเท่าไหร่น้ำเย็นก็จะเหมือนยิ่งเออขึ้นมาในใจมากขึ้นเท่านั้นแก้กังวลกับเสียงนินทา เมื่อได้รับคำสั่งให้พูดถึงใครจริงๆแล้วเท่ากับให้บอกว่าใครคนนั้นทํากับคุณอย่างไรหรือทำให้คุณเกิดความรู้สึกแบบไหนนั่นเองเมื่อให้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับใครจริงๆคือให้สาธยายว่าคุณคิดถึงความเป็นเขาตรงไหนบ้างหรือเพลอเลก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นอย่างนี้หรืออย่างไหน ใครที่คุณไม่รู้จักดีแต่มีความหมั่นไส้กับการรู้เห็นอะไรบางส่วนหากอยู่ในที่ที่อนุ ญ, ญาตให้พูดเต็มเหนียวมีเท่าไหรย่ยิงหมดแม็กไม่ต้องรับผิดชอบว่าพูดผิดหรือถูกอยากใส่สีตีไข่แค่ไหนไม่ต้องยังคุณจะรู้สึกคันไม้คันมือคันปากอยากกระนำให้สุดหลอดไหมนี่คือความจริง คนเราสนุกกับการพูดถึงคนอื่นที่รู้จักกันแบบพรึ่งๆ ก, กลางๆหรือไม่ก็เมามันกับการลงรายละเอียดเท่าที่อยากจาไว้เมา้าคุณไม่มีทางเอ่ยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับใครได้ครบทั้งหมดตอนพูดคุณอาจรู้สึกว่าพูดเท่าที่นึกได้หรือแค่พูดตามอารมณ์พาไปแบบพันผ่านแต่ตอนเสียงพูดของคุณลอยลมไปถึงหูเขาเขาอาจรู้สึกว่า คุณใจแคบมากไม่เคยรู้จักตัวจริงของเขาเลยแต่กล้าวิจารณ์สักขนาดนั้นเมื่ออาศัยใจของคุณเองเป็นแว่นส่องใจมนุษย์ทั้งหลายเมื่อทบทวนว่าตัวคุณเองก็มีเวลาน้อยในการทาความรู้จักคนเมื่อเข้าใจสาเหตุว่าเหตุใดคุณเองจึงด่วนตัดสินคนอื่นได้เมื่อนั้นคุณจะให้ความสำคัญ กับเสียงลอยลงน้อยลงมากไม่ว่าจะลอยมาแบบต่อหน้าหรือรับหลังก็ตาม